กราบบูชาพระรัตนไตรัยกราบบูชาครูบ า, าจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนอกอกราบน้ำมัสการพระอาจ า, า, ยารย์ไพศาลประธานสงฆ์อกอกราบน้ำมัสการพระเทรานุเทระครูบ า, าจารย์พันเตเพื่อนสาธมิกขอเจริญในธรรมแม่ชี อุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มาร่วมกันใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2555ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน10ปีมะโรง หลังจากที่เราได้สาธยายมนนะทำวัดเช้านะเสร็จไปแล้วนะก็เป็นธรรมเนียมนะเป็นประจำนะที่จะมีการนะพูดคุยนะให้ข้อคิดหรือนำเสนอประสบาการณนะ์ในการเรียนรู้ในการศึกษาเรื่องชีวิต จากที่ผ่านมาเนี่ยเราเจนว่าการเรียนรู้ชีวิตหรือธรรมะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้หลายวิธีวิธีแรกก็คือการที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ดีผู้ที่มีประสบาการณ์ได้ผ่านประสบาการณ์ต่างๆ น, นำมาเล่าสู่กันฟัง หรือแม้แต่การที่เราอ่านจากหนังสืออ่านจากคอมพิวเร์หรือเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นนะดูในอินเทอร์เน็ตนะมีสื่อต่างๆมากมายนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นเครื่องนนอำนวยความสะดวกนะในการที่เราจะได้เรียนรู้นะเรื่องธรรมะเรื่องชีวิตนะเรื่องความจริงนะที่มีอยู่ ผู้รู้ทั้งหลายนาะนนับตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่เป็นผู้ค้นพบแล้วก็ได้นำเสนอนะถ่ายทอดนะผ่านครูบาอาจารยนะ์ตลอดเรื่อยมานะก็มีการเล่าต่อกันมาบ้างมีการบันทึกไว้นะทำเป็นหนังสือทำเป็นคำพีนะทำเป็นตำรับตำลาต่างๆมากมาย รวมทั้งการถ่ายทอดอนะจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งนะด้วยภาษาที่เหมาะสมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะซึ่งสิ่งเหล่านีเน้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะจากาตำลับตำรานะเรียนรู้จากครูบาอาจารยนะ์ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะที่ทำให้เร า, เามีความศรัทธาและก็มี ความเชื่อนะแล้วก็ได้เอาไปปฏิบัตินะเพื่อให้เกิดผลตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานะเป็นปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เรานำมาพิจารณาไข้ควรนะความเป็นเหตุเป็นผลนะเห็นจริงตามที่ท่านได้กล่าวนะซึ่งปัญญาในสองส่วนนี้นะก็เป็น ปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็มาพิจารณาใข้ยครวนนะซึ่งถ้าเราหยุดเพียงแค่นีนะ้ก็คือมีแค่ปัญญาในระดับการได้ยินได้ฟังหรือเพียงแค่ได้พิจารณานะตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นปัญญาที่ยังไม่ถึงที่สุดของมันนะมันมีปัญญาในระดับที่เราจะต้องนำไปปฏิบัต นะก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเรียนรู้ทฤษฎีนะหรือเรียกว่าปริยัตินะเมื่อเราเรียนรู้ทฤษฎีเรียนรู้ปริยัตแล้วนะเราก็ต้องเอาไปปฏิบัตินะไปทดลองดนะูว่ามันเป็นจริงไหมสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะในขั้นของการได้ยินได้ฟังก็ดีการพิจารณาให้ควรก็ดีนะในส่วนนี้นะก็เป็นความเชื่อ นะที่อาจจะเป็นความเชื่อที่เป็นสมเหตุสมผลนะแล้วก็ยังติดอยู่ตรงที่เร า, เาใช้ความคิดนะพิจารณานะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีนะก็ จ, จะทำให้เราลงได้หนะลงเข้าใจว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะซึ่งตรงนีนะ้ก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะว่าเราเข้าใจแล้ว และบางทีอาจจะหลงถึงขนาดไปที่ว่าไปพูดไปคุยไปบอกนะไปเสนอนะด้วยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรือเราจดจำมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เออเราจะต้องพิจารณานะและต้องระมัดระวังนะในการได้ยินได้ฟังเออได้ไปอ่านเออพุทธประวัตินะก็ยัง ภาษาริบุตรก็ดีพระโมกขลานะก็ดนะีท่านพ า, าสหายนะ200กว่าคนนะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ฟังธรรมนะเพื่อนๆท่านในบรรลุพระลานหมดเลยแต่พระโมกขลานะกับภาษาลิบุตรไม่บรรลุนะยังต้องใช้เวลาหลังจากนั้นอีกก็เลยสงสัยเอ๊ะทไมท่านก็มีปัญญามากนะทาไมท่านไม่ไม่บรรลุหรือไม่เข้าใจ คำว่าบารรลุในที่นี้หมายถึงบรลรลุพระอรหันต์นะนะตรงนี้ก็เพียงแต่สันนิษฐานนะจริงเท็จยังไงไม่ทราบก็เพียงแต่ว่าคงจะเป็นไปได้มั้งว่าคนที่มีปัญญามากอาจะเป็นคนที่ใช้ความคิดและไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะแล้วก็ในจิตใจนั้นก็คงจะพิจารณาค้าควรนานพอสมควรนะซึ่งตรงนี้ก็นำมาเปรียบเทียบ นะกับการที่คนที่มีการศึกษามากๆคนที่เรียนรู้อะไรมาก ๆ, ๆเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งที่ตกค้างนะอยู่ในจิตใจเราเยอะนะและบางทีเราก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ความคิดมากนะโดยเฉพาะในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยนะจะให้ความสําคัญการคิดเป็นเหตุเป็นผลนะการหาเหตุหาผล นะการคิดเป็นตรกกะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ทำให้การที่เรามาเรียนรู้นะความจริงของชีวิตเนี่ยมันก็เนิ่นช้านะหรือบางคนก็ไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริงๆนะรู้นะรู้รู้มากนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำได้หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างเรารู้นะ ความโกรธเนี่ยไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธอยู่เรารู้นะยาเสพติดเนี่ยมันไม่ดีแต่เราก็ยังเสพติดกันอยูนะ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เพียงแค่ความรู้หรือว่าเป็นปัญญาในดับความจำนะหรือการคิดหายเหตุหาผลเท่า น, นั้นเองนะว่ามันสอดคล้องกับความเชื่อความเข้าใจของเรานะตรงนี้ก็ยังไม่เกิดผลนะที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการเข้าใจความจริ ง, นะ อ, ยงอย่างแท้จริงนะเป็นความเข้าใจหรือเป็นการสัมผัสความจริงด้วยความคิดนะหรือความจํานะซึ่งตรงนี้นะเราจะเห็นได้ว่ า, าแม้แต่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านปริยัตนะสูงมากๆนะบางทีท่านก็ได้แต่รู้นะตัวหนังสือรู้ความรู้ต่างๆ ขึ้นมานแต่ว่าไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นมืนยังเคยมีคุณหมอวัฒนานไปสอบถามหลวงพ่อเทีย น, นว่าทำไมน ะ, ะพระอ น, นุนเนี่ยอยู่กับพระเจ้าแล้วทำไมยังไม่บรรลุธรรมหลวงพ่อเทียนก็ตอบว่าพระอ น, นุ์รู้เรื่องของพรธเจ้าแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองพูดง่ายๆก็คือ ไม่ได้กลับมาดูตัวเองไม่ได้มาเรียนรู้ตัวเองนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่สะท้อนกลับมาที่เราว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็เรียนรู้นะเรื่องต่างๆมากมายเรื่องของพุทธเจ้าเรื่องของพระอรหันต์นะเรื่องของเออสาวกต่างๆนะหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์นะเราก็ได้อ่านนะซึ่งตรงนั้นก็ช่วยทำให้เรามี กำลังใจนะในการที่จะเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ลงมือนะที่จะปฏิบัติหรือไม่ลงมือที่จะสัมผัสจริงๆนะก็จะไม่เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงตรงนี้นี่เองนะก็จำเป็นที่เราจะต้องพัฒนานะสติปัญญาของเราขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งก็คือการเรียนรูนะ้ความจริงหรือชีวิต ด้วยตัวเราเองเป็นประสบาการณ์ของเราเองนะก็อย่างที่เราม า, าฝึกนะปฏิบัติเจริญสติกันนะที่วัดป่าสุกโตนะหรือบางทีก็เรียกว่าฝึกกรรมฐานบ้างนะฝึกจิตบ้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะระยะเวลาที่ผ่านมานะจะเป็นพระที่บวชนะบวชใหม่ก็ดีน ะ, ะนะที่จะอยู่ เพียงแค่ออกพรรษาเนี่ยนะหรือว่าผู้ที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุโกโตก็ดีหรือกลุ่มที่มาปฏิบัติก็ดีนะส่วนใหญ่เนี่ยนะเราก็มุ่งหมายนะที่จะมาเรียนรู้ความจริงนะด้วยการปฏิบัติลงไปจริงๆนะมากกว่าที่เราจะมาสนใจกับการอ่านหนังสือนะเพราะฉะนั้นสังเกตนะว่าที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็ไม่ได้มีการสนับสนุน นะให้อ่านหนังสือมากนะโดยเฉพาะคนที่มีเวลาน้อยเนี่ยนะหรือว่าคนที่มีเวล า, าไม่มากนะเราก็ปฏิบัติลงไปเลยนะเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปทดลองนะไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาเส้งตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงๆและปัญญาตรงนี้เนี่ยนะมันจะเป็นความลึกซึ้งนะมากกว่าที่เราอ่านจากหนังสือ นะหรือมีความลึกซึ้งนะมากกว่าการที่เราได้ยินได้ฟังนะเพราะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นความจดจำนะที่จะที่เราพอจาได้นะแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปก็ดีสิ่งที่เราได้อ่านไปก็ดีบางทีนะเราก็มักจะจดจำไปแล้วเวลาเราไปปฏิบัติเราก็ชอบที่จะเอาไปเทียบเคียงซึ่งตรงนี้เนี่ย บางทีมันก็ทำให้การปฏิบัติของเราเนิ่นช้านะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประสบาการณ์ที่ตัวกระผมได้มาเองนะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแตนะ่บางทีเราไปเทียบเคียงว่าเอ๊ะอ้นี้ใช่ไหมไอ้นนั้นใช่ไหมนะก็คือยังมีเอเอออยู่ในใจนะก็ยังเป็นการใช้ความคิดนะที่จะเรียนรู้ความจริงการเรียนรู้ความจริงของชีวิตของกายของใจเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะ มันตรงไปตรงมานะ่าใช้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยนะ่ะเป็นตัวที่จะเรียนรู้นะซึ่งหลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็พูดไวด้ดีนะว่าให้เอากายเอาใจเนี่ยเป็นตํารานะอ่านกายอ่านใจอ่านตําราเล่มใหญ่เนี่ยก็คือกายใจด้วยความรู้สึกตัวนะเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตา ในะที่จะอ่านตำราเล่มนี้นะเราอ่านตำราข้างนอกนาะจากหนังสือต่างๆก็ได้ความรู้ได้ปัญญาจดจําได้พิจารณาไข้ควรแต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกตะวัวที่เราฝึกกันเนี่ยเป็นตาอ่านกายอ่านใจตรงนี้เนี่ยจะเป็นตําราเล่มใหญ่และเป็นตําราที่แสดงความจริงให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เพราะฉะนั้นตําราข้างนอกเราใช้ตาดูตําราข้างในก็คือกายใจเราใช้ความรู้สึกตัวดูนะเพราะฉะนั้นที่เรามาทํากันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นการเดินจงกรมสร้างจังหวะคดีหรือแม้แต่ฉวยโอกาสนาในกิจวัตรประจําวันนที่จะปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมานาเพื่อให้ตาในเนี่ยมันตื่นขึ้นมา มันจะได้อ่านกายอ่านใจที่เขาแสดงตัวของเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราอยู่ในโลกข้างนอกอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ทํางานก็ดีส่วนใหญเ่เราก็จะใช้ตานอกใช้ตาเนื้อเรียนรู้โลกเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อที่จะทําการทํางานเพื่อที่จะใช้ชีวิตเพื่อที่สัมพันธ์กับทุกคนอันนั้นก็เป็นส่วนที่ ที่จําเป็นนะส่วนตาในเนี่ยนะเราไม่เคยได้ม า, าสนใจเท่าไหร่นักนะเพราะเราเรามองไม่เห็นนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีตัวมีตนนะแต่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยนะเราเราเรางดหรือเราลดการใช้ตานอกนะจริงๆที่ลดเนี่ยเพราะว่าสภาพแวดล้อมนะมันไม่มีสิ่งที่จะมากระตุ้นเรานะให้เราไปสนใจมาก นะเพราะที่นี่เป็นป่าเป็นธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเนี่ยเขาตรงไปตรงมาเขาไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะมาให้ความสนใจกับตาในนะก็คือความรู้สึกตัวยิ่งเมื่อเราใส่รูปแบบเข้าไปนะการเดินชงกลมการสร้างจังหวะนะหรือการมีความรู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆ ในกิจวัตรประจําวันต่างๆนะตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนนะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ความรู้สึกตัวของเราชัดเจนขึ้นตาในเนี่ยมันเปิดขึ้นกนะว้างขึ้นเมื่อตาในเปิดขึ้นแล้วนะปรากฏการอาการต่างๆของกายของใจที่เขาแสดงตามปกติของเขาตามธรรมชาติของเขาเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ นะจากกายใจของเราเนี่ยเป็นตำราเล่มใหญนะ่ที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วตำราเล่มนี้ก็วิเศษมากเลยนะเราไม่ต้องถือไม่ต้องแบกต้องหามนะเราไม่ต้องไปกดอินเทอร์เนะ็ตเราไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์มันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาสำคัญว่าตาในของเราจะสนใจดูหรือไม่เท่านั้นเองแล้ว ตำราเล่มนี้เนี่ยก็แปลกนะเราไม่ต้องใช้ตาเนืดูนะเราใช้ตาในดูนะอตมาเชื่อว่าคนตาบอดเนี่ยถ้าฟังแล้วรู้เรื่องก็สามารถที่จะดูตำราเล่มนี้ได้นะมันเป็นตำราวิเศษนะตำราวิเศษเล่มนี้เนี่ยจะช่วยจําให้เราเรียนรู้กายใจนะได้อย่างแท้จริงและก็รอบด้านนะ โดยเฉพาะยงยิ่งการมาเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบอาการต่างๆนะทั้งที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ตามนะซึ่งเมื่อวานท่านพระอาจารย์ไพศาลนะก็ได้พูดนะในพวกเร า, เาได้เห็นแล้วนะว่าสิ่ ง, งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยเราต้องดูมันแม้ว่าสิ่งที่มันทำให้เราชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตาม นะโดยส่วนใหญ่จริงๆแล้วคนที่มาเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยจะเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจอะ่ะเยอะนะมันขัดใจมันไม่คุ้นเคยกับความเคยชินเก่าๆความสะดวกสบายเก่าๆของเรานะก็จะมีความเบือ่อนะมีความเซ็งมีความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหงานอนนะความสงสัยลังเลเอ้มันใช่ไหมนะเราเคยได้ยินได้ฟังมาธรรมะเนี่ มาปฏิบัติธรรมนี่มันต้องสงบสงบเย็นเย็นสบายสบายนิ่งนิ่งนะไม่ต้องรับรู้อะไรนะนั้นก็เป็นเป็นความจําที่เราได้ยินได้ฟังมานะแล้วก็อาจจะอาจจากตำหรักตาลานะมาแล้วเราก็มาเทียบเคียงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจึงบอกว่าการได้ยินได้ฟังก็ดีการฟังมาก็ดีนะเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องเอามาเลย นะเรียนรู้กายใจที่มันแสดงตัวออกมาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละนะเป็นของจริงเป็นตําราที่แท้จริงที่มันแสดงออกมาแลนะไม่ใช่ว่ามันจะมีเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเท้งนั้นนะมันก็มีอารมณ์ที่ที่ชอบใจก็มีนะบางครั้งมันก็มีความสุขนะมันมีความปลอดโปร่งโล่งนะบางทีเดินไปเดินมามีปิติขึ้นมานะเกิดความซาบซ่านขึ้นมา นะขนลุกขนชันขึ้นมานะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์เป็นอาการอย่างหนึ่งนะของกายของใจที่ว่าจะแสดงออกมาโนะดยเฉพาะอาการของกายเนี่ยนะกายเนี่ยเขาซื่อตรงมากเลยนะตรงไปตรงมาเลยนะถ้ามันนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยมันก็บอกล้ว่ามันปวดมันเมื่อยนะเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไข ย, ย่างไรก็ปรับเปลี่ยนไป แต่ก่อนเนี่ยเมื่อเราไม่ได้มาเรียนรู้เราไม่ได้มาดูตรงนี้เนี่ยพอเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเราก็จะเกิดความาทุกข์ทางกายนี่ความทุกข์แน่นอนและแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาด้วยนะก็คือความรู้สึกงุดงิดความกังวลอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะเนื่องจากการเจ็บปวดนี้นะเรียวกว่าใจมันเข้าไปรับรู้แล้วมันก็ไปปรุงแต่งต่างๆ่า ง, างนซะึ่งสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเราก็จะเป็นทุกข์ นอกจากการเจ็บอาการปวดเมื่อยวันนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีตอนเช้าๆเอากาศเย็นมําก็หนาวร่างกายมันก็รับรู้มันหนาวมันก็ต้องหาเครื่องมาห่อหุ้มเอาเสื้อให้หนาขึ้นตรงนี้ร่างกายเขาก็จะบอกบอกสัญญาณให้เรารับรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่านได้ เราเห็นได้จริงๆนอกจากนั้นนะเราไม่ได้ทานอาหารเย็นนะตื่นเช้าบางคนอาจจะหิวนะนี่ก็เป็นอาการที่มันแสดงออกทางกายนะหรือตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะนอนไม่อิมนะรู้สึกง่วงนอนออนี่ก็เป็นอาการที่มันแสดงออกมานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะอ่านไดนะ้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการอ่านตำรา ภายในตัวเราเนี่ยเป็นของจริงนะที่เกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณนะอาการทางกายเนี่ยนะเป็นอาการที่มันจะแสดงอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะจะหนาวเย็นบ้างหิวกระหายบ้างปวดเมื่อยบ้างนะปวดแข้งปวดขาบ้างนะนี้เป็นอาการของกายตามธรรมชาติธรรมดาของเขาแต่ก่อนเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะไปยึดไปถือว่าเราเจ็บเราปวด เราหิวเราก็หายเราทนไม่ได้นะมีตัวเราใส่เข้าไปนะเราก็คิดไปต่างๆนานาโอ้อยอู่มากๆนี่เดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่านะีมันก็คิดกันไปปรุงแต่งกันไปนะโ อ, โอโปวดเมื่อยอย่างนี้แล้วน่องเราจะเป็นไงบ้างเนี่ยนะคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานานะอันนี้เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันนะความคิดไม่รู้เท่าทันจิตนะที่เป็นคนคิดปรุงแต่งต่างๆ นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็เรียนรู้ได้นะนอกจากอาการาทางกายนะอาการทางใจนะที่แสดงออกมาในรูปของความคิดนะความคิดเนี่ยสารพัดเลยนะเขาเรียกว่า 18, 9, ร้อย8 0กิเลสพัน 15, ตันหาร้8นะสารพัดความคิดนี่บางทีเราไม่รู้ทันนะก็หลอกเราได้นะหลอกให้เราสุขหลอกให้เราทุกข์ หลอกให้เราโศกเศร้าเสียใจบางทีเป็นเรื่องแนอดีตนะมันฝังใจอยู่นะพอเดินจงกรมไปสร้างจังหวะไปมันผุดขึ้นมานะเราก็ไปโศกเศร้ากับมันเสียใจกับมันอีกหรือแม้แต่ความสุขนะที่เราเคยได้รับแตนะ่มันผุดขึ้นมานะเราก็เข้าไปสุขกับมันอีกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราก็จะสุขสุขทุกๆใจมันก็จะฟูฟูแฟบแฟ นะมันไม่เป็นปกตนะิเสียความเป็นปกติไปเพราะฉะนั้นชีวิตที่แท้จริงชีวิตดั้งเดิมนะของเรานั้นคือความเป็นปกตนะิอย่างที่เรานั่งฟังทำกันอยู่ตอนนี้นะถ้าเราไม่โงกง่วงเรามีความรู้ตื่นนะเราก็จะสัมผัสความเป็นปกติของใจนะซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานนะของคนเราทุกคนมีมาตั้งแต่เราเกิด นะจนถึงปัจจุบันนี้นะแต่ที่มันไม่ปกตินะเพราะว่าเราไปเสพติดนะเรียกว่าไปเสพติดนะกับความสุขนะกับความทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นสุขเราก็อยากให้มันสุขนานๆทุกข์เราไม่อยากให้มันอยู่กับเรานะมันมีการผลักออกไปมีการดึงเข้ามานะด้วยความไม่รู้เท่าทันนั่นเองสุขทุกข์เนี่ยเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ผ่านไป แต่ความคิดคำนึงของเราความคิดปรุงแต่งของเรายังยึดยังถืออยู่นะมันเป็นความจําเอาไว้นะแล้วมันก็สร้างจินตนาการขึ้นมานะตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราอ่านไม่ออกนะเราก็จะยังยึดถืออยู่ยังแบกของหนักอยู่นะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอ่านหนังสือเรื่องอริยสัจสี่เรื่องความทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์นะ ความร่วงพ้นจากทุกขขนทางที่จะให้ดับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่านได้เรารู้เราเข้าใจเราจําได้หมดแต่เรายังทุกอยู่แล้วก็ยังปล่อยวางไม่ได้นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เราเรียนรู้เพราะจดจําได้หมายรู้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยนะเรามาเดินชงกคมสร้างจังหวะโอ้โหมันทุกขนาดหนักเลยนะเนี่ยของจริงเลยที่มันแสดงตัวให้ดูแต่เราดูมันหรือเปล่านะหรือเราปฏิเสธมัน นะไม่เอาละเลิกละนะบางคนมาใหม่ๆปฏิบัติวันแรกเจอทุกข์ก็หนีเลยนะไม่อยู่เลยนั่นนะความจริงเขามาแสดงให้ดูแล้วนะอริยสัจข้อที่หนึ่งนะเขาแสดงให้ดูแล้วนะเมื่อเรารู้เราจะได้หาเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอ๋อมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะสิ่งต่างๆที่เขาแสดงออกมานะแล้วเราก็อยากให้มันเป็นไปอย่างใจเรานะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างใจเรา ธรรมชาติก็เป็นของเขานะเขาเป็นอย่างนั้นเองนะแต่เราอยากให้เป็นอย่างใจเราเนะเพราะความไม่รู้นั่นเองนะความไม่รู้ในที่นี้ก็คือการไม่รู้เท่าทันความจริงนะการจะรู้เท่าทันความจริงก็อาศัยความรู้สึกตัวที่ฝึกนี่แหละนะเป็นตัวที่จะทำให้เรานะไปเห็นความจริงตรงนี้อันนี้เป็นตำราเล่มใหญนะ่ที่เราสามารถจะเห็นได้ทุกเวลาทุกนาที เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าธรรมนั้นเป็นอาการิโกนะสามารถรู้เห็นได้ไม่จำกัดการเวลานะตรงนี้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะโดยเฉพาะในส่วนของกายในส่วนของใจถ้าเราสังเกตดูดีๆนะเราจะมีปัญญานะเราจะเห็นความไม่เที่ยงนะร่างกายเดี๋ยวมันปวดมันเมื่อยนะเดี๋ยวมันก็หาย นะเดี๋ยวมันเย็นมันร้อนนะเดี๋ยวมันหิวมันก็หายเดี๋ยวมันอิ่มหรือนะแม้แต่ความคิดของเราเนี่ยมันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ผ่านไปผ่านมานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ เ, เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เราไม่สามารถที่จะให้เป็นอย่างใจเราได้นะตรงนี้มันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญายอมรับความจริงอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองนะ เราก็เพียงแต่วางใจของเรานะรับรู้ความเป็นจริงเนะมื่อรับรู้ความเป็นจริงใจมันจะเป็นกลางเองนะมันจะเป็นปกติของมันเองเราไม่ได้ไปสร้างเราไม่ได้ไปทำเราไม่ได้ไปประคองนะแต่มันเป็นของมันเองโดยการที่เราทำเหตุถูกนะการทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานะที่จะเห็นความจริงนะตรงนี้เนี่ย ถ้าเราเห็นได้บ่อยๆนะมันก็จะเกิดความเข้าใจในชีวิตของตัวเองเข้าใจธรรมชาติของกายเข้าใจธรรมชาติของใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละนะเขาเป็นอย่างนั้นเองเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเรานึกเราคิดหรือไม่ได้เป็นไปอย่างใจที่เราต้องการนะอันนี้ก็คือความจริงเป็นศัจธรรมเป็นศัจธรรมที่แสดงต่อหน้าต่อตาเรานะแต่ว่า ความที่เราไม่ได้ใส่ใจหรือความที่เราคิดมากเกินไปนะโดยเฉพากคนที่เรียนหนังสือมากมากเนี่ยใช้ความคิดมากสักจธรรมความจริงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ต้องไปใช้ความคิดเลยนะใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะซึ่งเป็นตาเนี่ยดูตรงๆรเลยนะที่หลวงพระเทียนท่านชอบใช้คำว่ารู้ซื่อซนะื่อนะรู้ซื่อซื่อนก็คือรู้ตรงๆ ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ทิ้งไปเลยนะไอ้ความคิดเนี่ยนะกลับมารู้สึกตัวเพียงแค่กลับมารู้สึกตัวความคิดมันก็หายไปแล้วแต่ใหม่ๆฝึกใหม่ๆมันจะยังมันจะยังไม่ทันทีหลักนะความคิดมันจะลากไปเพราะว่าเราเคยชินมันเป็นความเคยชินเก่าๆไม่เป็นไรมันลากไปเรารู้ทันกลับมาน ะ, <organiz> าะลากลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆ นะตรงนี้มันจะเกิดความํำนานนะแล้วก็เกิดความต่อเนื่องการฝึกปฏิบัติเนี่ยที่เราเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก็ดีไม่ยากนะทำได้ง่ายแต่มันยากตรงที่ทำยังไงให้มันต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยมันยากนะอย่างในรูปแบบเนี่เราสามารถจะทำให้มันต่อเนื่องได้แต่เมื่อเราเลิกไปแล้วเราไปทำกิจวัตรประจำวันตรงนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ก็นั่นแหละนะให้เรามีความต้หนัก น้ามีความใส่ใจน่าที่จะมีความรู้สึกตัวได้บ่อยๆ อ, อย่างไรก็ตามนะอย่าตั้งใจมากเกินไปให้สังเกตดูกายใจเนี่ยก็จะส่งสัญญาณบอกเราอยู่เรื่อยๆ เ, เราฝึกปฏิบัติไปเนี่ยถ้ามันมึนๆหนักๆจะแสดงว่าเราตั้งใจกันไปละเราเพ่งเกินไปละเราอยากให้มันเกิดเราอยากให้มันเป็นตรงนี้ เราต้องคลายออกนะการคลายออกจะเช่นบางทีเราอาจจะไปจ้องเพ่งกับมันนานๆให้มองไปไกลๆให้ผ่อนคลายหรือบางทีทําไปนานๆมันรู้สึกหนักๆตึงๆขึ้นมาก็นั่งพักบ้างก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมนั่งพักบ้างก็ได้นะดูท้องฟ้าดูนกดูอะไรออกไปคือปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างเพราะบางทีเราไปเพ่งเข้าไปข้างในมากมันจืนอดอัด เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ความจริงจากกายใจเนี่ยนะเขาจะมีสัญญาณบอกเป็นถ้าถ้าจะว่าไปเป็นเป็นเป็นภาษาอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ภาษาที่เป็นตัวหนังสือนะมันเป็นอาการที่มันแสดงออกมาให้เราสังเกตดูแล้วก็ปรับตัวเราเองครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะมีใครบอกได้ว่าพอดีมันอยู่ตรงไหน ใจเป็นกลางนั้นคืออย่างไรแต่เราต้องสังเกตแล้วก็ปรับตัวเองไม่มันหนักถ้ารู้สึกหนักรู้สึกตึงรู้สึกเพ่งตรงนี้เราก็ผ่อนคลายเราออกมานะตรงนี้ให้สังเกตนะใช้ความแยบคายนะในการที่เราจะเรียนรู้นะกายใจของเรานะเมื่อเราเรียนรู้ได้บ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินนะเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมา จากเดิมที่เราเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็ไปตามความคิดก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ในอารมณ์นั้นจมอยู่ในอารมณ์นั้นจมอยู่ในความคิดนั้นเป็นนิสัยเก่านิสัยใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีความคิดขึ้นมาเรารู้ทันเราไม่ตามเข้าเรากลับมารู้สึกตัวอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันไม่ไปจมกลับมารู้สึกตัว นะความรู้สึกตัวนี่แหละจะเป็นที่เป็นหลักให้เรานะให้เราสามารถที่จะพึ่งพิงได้นะแต่ก็แน่นอนนะบางทีเราอยากให้มันรู้สึกตัวตลอดเวลาเอา่อตรงนี้ก็มันก็พัดหลงไปอีกนะก็คือไปไปจมอยู่ในความรู้สึกตัวอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็มีเผลอบ้างรู้บ้างเป็นธรรมชาติธรรมดานะแต่ว่ารู้ให้ได้บ่อยๆนะตรงเนี้จะ เราจะรู้สึกไม่หนักไม่ตึงให้เป็นธรมธรมดาธรรมดาเป็นปกตินะตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจความจริงของกายของใจนะเป็นตำราเล่มใหญ่นะที่เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลานาทนะีตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วได้อ่านแล้ว อย่าพอใจเพียงแค่นั้นนะเราต้องฝึกลงไปปฏิบัติลงไปเรียนรู้ลงไปจะผิดจะถูกไม่เป็นไรความผิดความถูกเป็นครูเป็นครูที่แท้จริงนะครูที่แท้จริงคือตรงเนี้เราเรียนผิดเราจะได้ถูกใช่ไหมไม่มีหลักเรียนแล้วถูกหมดเลยมันไม่มีอ่ะมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะเพียงแต่ว่าอาจจะติดขาดบ้างเราก็มา ถามครูบาอาจารย์ถามเพื่อนที่มีประสบาการณนะ์ตรงนี้ก็จะทําให้การเดินทางของเราเร็วขึ้นนะไม่ต้องไปลมลุกคุกคานนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นวัดป่าสุกโตเนี่ยเป็นสถาบันอาจจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนก็ได้นะที่ส่งเสริมบรรยากาศนะของการเรียนรู้ จากการได้ประสบาการณ์ตรงๆนะโดยไม่ต้องผ่านเอตัวหนังสือมากนะเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไปทําเลยนะแล้วนะถ้าดีเนี่ยนะไม่ต้องอ่านหนังสือเลยก็ยังได้นะ <c oughs> อ่านกายอ่านใจเราเลยไม่ต้องฟังเอเทปมากไม่ต้องฟังซีดีมากอะไรเนี่ยแล้วเราทําไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิด มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะฝึกได้เหมือนกันเรียนรู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนบางทีไม่มีหนังสือหนังหาเลยนะแต่ท่านเรียนรู้จากธรรมชาตินะอย่างที่ท่านอาจารย์เผยสารเคยเล่าให้ฟังนะที่หลวงปู่มั่นนะท่านก็เรียนรูนะ้ธรรมะจากธรรมชาติ จ, จริงๆนะสมัยนะั้นไม่มีหนังสือเลยรุ่นเรายัางโชคดีที่มีหนังสือเยอะนะโดยเฉพาะท่านอาจารย์พุทธทาสนะเป็นผู้บุกเบิก นะในการที่จะผลิตหนังสือออกมามากมายนะแต่ก็นั่นแหละนะเราอ่านหนังสือแล้วอย่าลืมมาอ่านกายใจนะตำราเล่มใหญนะ่ที่มีอยู่ในตัวเรานะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจความจริงนะสามารถปล่อยวางความทุกขนะ์แล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานะพบกับความเป็นปกติสุข นะซึ่งเป็นสันติสุขนะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีสันติสุขภายในใจแล้วนะเราก็จะก่อให้เกิดสันติภาพนะขึ้นกับสังคมกับโลกต่อไปด้วยนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะในเช้าวันนี้นะก็ลองนาไปพิจารณาดูนะว่าจะาใช้ได้ไหมนะก็ ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออนุโมทนาในาความตั้งใจของทุกท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะด้วยการเรียนรู้นีนะ้คงจะทำให้ทุกท่านนะได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจก่อให้เกิดสันติสุขนะขึ้นในใจแล้วก็ก่อให้เกิดสันติภาพนะแก่สังคมแก่ประเทศชาติและแก่โลกต่อไป จเจริญพร